Thank you. กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่16เรื่องทะเลชีวิตก่อนที่ขบวนเกวียนของธนิยะ จะเคลื่อนออกจากกรุงภัยาลีมุ่งหน้าสู่กรุงสาวัตถีและแวะพักที่เมืองสาเจตในระหว่างทางนั้นธนิยะได้ยับยั้งอยู่จนถึงกำหนดวันงานนขัตตะเลิกพิเศษของแคว้นวัชีทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สุรเสนะได้ศึกษาขนบประเพณีและรู้เห็นเหตุการณ์ในท้องที่ถิ่นนั้นๆเมื่อถึงสมัยแห่งนขัตตะเลิกเช่นนี้มหาชน ย่อมรื่นเริงแต่งกายประกวดกันยังเวลาให้สิ้นไปได้วยความบันเทิงทั้งในที่ว่าและราตรีมหโหระพุตต่างๆชนิดมีแสดงอยู่ทั่วไปการรื่นเริงนั้นย่อมมีตามความสามารถแห่งกลุ่มชนบางพวกพอใจในการสโมสรสันนิบาตก็ไปยังที่ซึ่งมีพิธีการประชุมซึ่งชนชั้นกษัตริย์อามาทและเศรษฐีกระบดีผู้มีชื่อเสียงถือว่า เป็นสถานที่อันมีเกียรติที่ตนควรไปบางพวกพอใจในการเตลเตลตามทุ่งนาป่าเขาหรือสวนมะม่วงนอกพระมหานคอรออกไปก็ชวนกันท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นหมู่ๆม่บางพวกที่พอใจจะได้รับอากาศอันปลอดโปรง่งแห่งทะเลสาบหรือบึงใหญ่กว้างก็พากันไปเล่นเรือซึ่งชาวบ้านจะเตรียมไว้ให้เช่าในยามบ่ายแดดอ่อน รื่นเริงร้องเพลงกันเป็นที่บันเทิงกิตท่านสิหเสนบดีได้อื้อเฟื้อนำสุรเสนไปชมมหาสภาซึ่งมีการประชุมแห่งกษัตริย์ลิชวีและอําด ร, ราชบริพานพร้อมทั้งเศรษฐีกระ บ, บดีในวันสำคัญนั้นได้มีการกล่าวถึงอดีตประวัติแห่งพระราชาและคนที่มีชื่อเสียงสำคัญคญของแควน้นนี้อันเป็นเหตุให้เกิดนามเจดีคือวัตถุและสถานที่ที่ระลึกต่างๆเช่น อุเทนเจดีอันตั้งอยู่ด้านบุรพาโคตมกะเจดีด้านทักษิณสัตตมภาพเจดีด้านประจิมและ พ, ะพ่ออุปตาเจดีด้านอุดรแห่งพระนครไพ่าลีทางนี้เพื่อให้สุรเสนะได้รู้เห็นระเบียบประเพณีและวิธีการในการนั่งรถลันตามลำดับฐานันดรลักษณะการแต่งตัวตลอดจนการรักษาระเบียบในการประชุม ซึ่งยังความตื่นตาตื่นใจในประเพณีนิยมอันดีงามของชาววัดชีให้เกิดแกสุรเสนไม่ใช่น้อยสุรเสนได้สังเกตเห็นระเบียบต่างๆอันเร้าใจให้เกิดสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็นึกชมเชย อ, อยู่ในใจเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านเกวียนยังไม่เย็นนักทนิยะก็ให้ติมพรุพาสุรเสนะไปดูการเล่นเรือเพื่อให้ได้สังเกตเห็นประเพณีการรื่นเรงในทะเลสาบ และการขับเพลงซึ่งมีความหมายชวนให้ใช้ความคิดครั้นสุรสณนรับประทานอาหารและเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ขึ้นมาร่วมทางไปกับติมพรุและชาวขับเพวยนบางคนในถนนซึ่งตรงไปสู่เบิงใหญ่หรือทะเลสาบนั้น มียานเทียบด้วยมา้าบรรทุกผู้คนไปมาอยู่คับคั่งบ้างไม่สะดวกด้วยยานก็อุตสาหะเดินไปประเพณีของชาววัชชีที่ถือกันเป็นเคร่งมีอยู่เจ็ดประการดังปรากฏกระแสรพระพุทธรรมรัตโตตอบกับพระอนุทิระเจ้าณสมัยหนึ่งขณะที่พระธิระยืนถวายงานพัดอยู่ณเบื้องพระปิดสดังสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสขึ้นก่อนว่า ดูก่อนอานอนท์เธอเคยได้ยินบ้างไหมว่าชาววัดชีนั้นมีการประชุมกันเนืองนิดและไม่ค่อยขาดประชุมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินดังนั้นดูก่อนอานอนท์ตราบใดชาววัดชียังประชุมกันเนืองนิดและไม่ค่อยขาดประชุมตราบนั้นชาววัชชีย่อมหวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมดูก่อนอานอนท์เธอเคยได้ยินบ้างไหมว่า ชาววัดชีนั้นย่อมพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่ควรทำของชาววัชชีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินดังนั้นดูก่อนอนน์ปราบใดชาววัชชียังพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่ที่ควรทำของชาววัชชีปราบนั้นชาววัชชี ย่อมหวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมดูก่อนอานนท์เธอได้ยินบ้างไหมว่าชาววัชชีนั้นย่อมไม่ตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นใหม่ไม่เพิกถอนขนมประเพณีที่มีอยู่แล้วประพฤติมั่นอยู่ในขนมประเพณีซึ่งตั้งไว้เก่าแก่ของชาววัชชีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินดังนั้นดูก่อนอานนท์ตราบใดชาววัชชี อย่างไม่ตั้งขนบประเพณีขึ้นใหม่ไม่เพิกถอนขนบประเพณีที่มีอยู่แล้วประพฤติมั่นอยู่ในขนบประเพณีซึ่งตั้งไว้เก่าแก่ของชาววัดชีตราบนั้นชาววัดชีเจ้าหวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมดูก่อนอนนเธอเคยได้ยินบ้างไหมว่าชาววัชชีนั้น ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาและรับฟังชาวัตชีผู้ใหญ่สูงอายุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินดังนั้นดูก่อนอานน์ปราบใดชาวัตชียังสักการะเคารพนับถือบูชาและรับฟังชาวัตชีผู้ใหญ่สูงอายุปราบนั้นชาวัตชีย่อมหวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมดูก่อนอานน์ เธอเคยได้ยินบ้างไหมว่าชาววัชชีย่อมไม่ล่วงเกินข่มเหงกุลสตรีกุลากุมารีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินดังนั้นดูก่อนอานน์ปราบใดชาววัดชียังไม่ล่วงเกินข่มเหงกุลสตรีกุลากุมารีปราบนั้นชาววัชชีย่อมหวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมดูก่อนอานน์เธอ เคยได้ยินบ้างไหมว่าชาววัชชีย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีที่ระรึก ข, ของชาววัชชีทั้งภายในและภายนอกพระนครย่อมไม่ละเลิกปรีกรรมอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทาต่อพระเจดีเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินดังนั้นดูก่อนอานนท์ปราบไดชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชา เจดีที่รลึกของชาววัดชีทั้งภายในและภายนอกพระนครยังไม่ละเลิกพฤติกรรมอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทาต่อเจดีเหล่านั้นปราบนั้นชาววัดชีย่อมหวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมดูก่อนอานน์เธอเคยได้ยินบ้างไหมว่าชาววัดชีย่อมจัดการอารกขาคุ้มครองอันเป็นธรรมอย่างดีในพระอระหันต์ทั้งหลายย่อมตั้งความปรารถนา ให้พระอาหารหันต์ที่ยังไม่มามาสู่แว่นแควนที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินดังนั้นดูก่อนอานน์ตราบใดชาววัชชียังจัดการอารักขาคุ้มครองอันเป็นธรรมอย่างดีในพระอาหารหันต์ทั้งหลายยังตั้งความปรารถนาให้พระอาหารหันต์ที่ยังไม่มามาสู่แว่นแควนที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นผาสุข ปราบนั้นชาววัตชีย่อมวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมจากการที่ชาววัตชียึดมั่นในหลักธรรมเจ็ดประการเหล่านี้สุรเสนะจึงได้สังเกตเห็นความสามคัคคีในการประชุมในการประกอบกรณียกิจการรักษากฎหมายขนนประเพณีอย่างเคร่งครัด การเคารพให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุการให้เกียรติแก่สตรีไม่ข่มเหงรังแกตามอำเภอใจการรู้จักแสดงความเคารพต่อสถานอันเป็นที่ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ล่วงลับไปแล้วและการปฏิบัติชอบในนักบวชผู้สั่งสอนศีลธรรมคุณธรรมเหล่านี้เมื่อมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกแล้วก็รุ่งเรืองมากในแคว้นวัชีเพราะประชาชนได้รับการสั่งสอน รู้ความหมายอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนี้คือแนวทางแห่งความเจริญขณะที่สุรเสนะขับมา้าย่อย่างไปตามมักขานั้นได้สังเกตเห็นกุลสตรีและกุลกุมารีเดินไปมาทั้งเดี่ยวและกลุ่มทั้งไปด้วยยานอย่างเป็นอิสระไม่ต้องหวาดระแวงภัย เพราะชาววัชีถือเป็นการน่าละอายและเสียหายอย่างแรงถ้าปรากฏว่าใครรังแกผู้หญิงแม้คนชราสูงอายุก็ได้รับความยกย่องนับถือเป็นอันดีจากคนทั้งหลายวัชีเป็นแว่นแคว้นที่คนสูงอายุรู้จักปฏิบัติตนให้เขานับถือและคนรุ่นหนุ่มสาวหรือที่อยู่ในวัยเด็กก็ไม่มีใครตีเสมอหรือดูหมิ่นเหยียดหยามคนแจคนเท่าดูเป็นแว่นแคว้น ที่น่าเจริญตาเจริญใจอะไรเช่นนั้นในระหว่างทางได้พบยานเทียมได้มา้าคันหนึ่งชำรุดไม่สามารถแล่นต่อไปได้สุรเสนะก็ได้ให้คนกลุ่มใหญ่หยุดช่วยเหลือกันเท่าที่จะสามารถไม่เพิกเฉยดูดายให้เพื่อนกันต้องนั่งสิ้นหวังอยู่เดียวดายนี่คือความสามคัคคีความเป็นผู้มีใจไม่จืดความเป็นผู้โอบเอื้ออารีในระหว่างชาววัดชีเมื่อไปถึงบริเวณริมบึงใหญ่ อันมีลักษณะเป็นทะเลสาได้เห็นผู้คนขับข้างบ้างนั่งสนทนากันบ้างเดินไปมาบ้างว่าเช่าเรือจากชาวบ้านแล้วลงภายแข่งกันบ้างภายเล่นเลาะริมฝั่งบ้างดูเป็นที่น่าบันเทิงยิ่งนักสุรเสนาพร้อมด้วยติมพรุและชาวขับกเกวยนผู้ร่วมเดินทางไปด้วยได้ว่าเช่าเรือลำหนึ่งแล้วภายปะปนไปในกลุ่มเรือของชาววัดชีประชาชนซึ่งรื่นเริงกันอยู่ในเรือเหล่านั้น บ้างก็ขับเพลงเจ้ยแจ้วทั้งที่เป็นของเก่าและที่คิดกันขึ้นใหม่บ้างก็เป็นเพลงขับธรรมดาซึ่งมุ่งเพียงกล่อมใจให้ร่าเริงบ้างก็เป็นเพลงขับที่ชวนให้ใช้ความชิดสุรสีะเป็นผู้ได้รับการอบรมจากบิดาให้รู้จักถือเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมก็เลือกสนใจเพลงขับให้เป็นประโยชน์ทั้งทางบันเทิงทั้งทางที่เป็นคติเตือนใจ เรีคลับเหล่านั้นที่ชวนให้ใช้ความชิดมีเนื้อความต่างๆกันเป็นต้นว่าใครหนอเป็นคนฉลาดที่สุดผู้คิดมากเป็นคนฉลาดหรือผู้คิดน้อยเป็นคนฉลาดผู้พูดมากเป็นคนฉลาดหรือผู้พูดน้อยเป็นคนฉลาดผู้ทำมากเป็นคนฉลาดหรือผู้ทำน้อยเป็นคนฉลาดผู้ทำเองเป็นคนฉลาดหรือผู้ใช้คนอื่นทาเป็นคนฉลาด ผู้ให้ใจผู้อื่นเป็นคนเสียเปรียบผู้รับจากผู้อื่นเป็นคนได้เปรียบหรือว่าผู้ให้ใจผู้อื่นเป็นคนได้เปรียบส่วนผู้รับจากผู้อื่นเป็นคนเสียเปรียบดวงจันนั้นมีข้างขึ้นข้างแรมจริงหรือหรือว่าตามนุษย์เห็นไปเป็นอย่างนั้นเองผู้อ่านท้องฟ้าออกกล่าวว่าดวงจันนั้นเต็มดวงอยู่เสมอเป็นแต่บางครั้งข้างที่สว่างไปอยู่ทางอื่นมนุษย์ก็มองเห็นเป็นเมืด นั่นจะเป็นความผิดของดวงจันทร์หรือว่าดวงตาแม่พระคงคาเอยท่านรับทั้งของสะอาดและของโสโครกที่มีผู้เทลงไปเพื่อบูชาบ้างเพื่อทิ้งบ้างเพื่อให้ล้างให้บ้างคนที่ลงไปอาบเหล้าก็มีทั้งสาธุชนและคนถ่อยแต่ท่าน เขาไม่ได้แสดงอาการผิดปกติในฝ่ายอะไรเลยฉั้นเราจะหัดใจให้เข้มแข็งมั่นคงทั้งในยามสุขยามทุกข์ทั้งในนินทาและสันเสริญทั้งในสาธุชนและคนถอยเยี่ยงท่านได้บ้างเรานิ่งเขาก็หาว่าโง่หรือเกรงกลัวเราโต้อตอบก็ละอายใจที่จะต้องทะเลาะ ก, กับคนถอยเขาว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นโคตมะทรงแก้ปัญหาข้อนี้ได้โอ พราผู้เป็นดวงตาของโลกฉะไ น, นเราจะได้พบเห็นพระองค์บ้างพระพเจ้ากำลังฝันหรือว่าท่านต่างหากํำลังฝันหรือว่าเราทั้งหมดกำลังฝันถ้าฝันกันทั้งหมดแล้วความจริงอยู่ที่ไหนหรือว่าความจริงนั้นก็คือความฝันด้วยดูก่อนปากท่านกินอาหารท่า น, นินทาคนท่านสรเสริญคนท่านด่าว่าคนท่านพราบนสะยายมนเพื่อสารวมจิต ท่านทำเองหรือใครใช้ให้ท่านทำท่านรับผิดชอบตัวเองหรือใครเป็นผู้รับผิดชอบทะเลนี้มองไปบางทิศไม่เห็นฝั่งแต่ถ้าใช้นาวาแล่นตราตรงไปไม่ช้าก็เร็วคมพบฝั่งจนได้บางครั้งก็ราบเรียบบางคราวก็มีคลื่นลม ใครจะชอบหรือจะชังใครจะอยากผ่านไปมาหรือไม่เทเลไม่เอาใจใส่ชีวิตของมนุษย์เรานี้ก็ไม่ผิดอะไรกับทะเลดังกล่าวมองไปก็ไม่เห็นฝั่งมองไม่เป็นก็ให้รู้สึกอ้างว้างเสียนี่กะไรยย่งประสบคลื่นลมหรืออุปสรรคต่างๆบางทีก็ทำให้รู้สึกท้อถอยเห็นโลกนี้คับแคบคับแค้นไม่น่าอยู่แต่ถ้าคลื่นลมสงบ มีแต่ความราบรื่นก็น่าพอใจจนบางครั้งลืมตัวไม่ได้เฉลียวใจว่าคลื่นลมจะสงบตลอดไปก็หาไม่อาจเกิดขึ้นเวลาไรก็ได้ชาววัดชีเราเอยยงรู้จักทั้งทะเลสาบและทะเลชีวิตจงรู้จักสภาพที่แท้จริงของดวงจันจงถนอมรักษาโบราณธรรมของวัดชีไว้เพื่อจะได้ขับเพลงแห่งชีวิตได้ยืนนาน ดวงหน้าของสุรเสนและติมพรุเปลี่ยนแปลงไปมาตามเนื้อความแห่งเพลงขับบางครั้งก็รู้สึกยึ่งยากที่จะตอบปัญหานั้นๆทำให้ต้องตรองแล้วในที่สุดก็ต้องพักตรองไว้ชั่วคราวเพราะยังมีเนื้อควา ม, ม อ, อื่นๆที่ต้องสนใจฟังอีกบางคราวเมื่อนึกมาถึงชีวิตของตนบ้างก็เว้นที่จะถอนใจเสียไม่ได้ธนิยะเดาเหตุการณ์ถูก เมื่อเห็นสุรเสนะกลับมาในยามค่ำแล้วซบหน้าลงกับตักของตนนอนหลับตาเฉยไม่พูดว่ากไรการเที่ยวที่ทะเลสาบทำให้สุรเสนะคิดถึงทะเลชีวิตคิดถึงข้อปัญหาในเพลงขับซึ่งตนมิค่อยได้เคยได้ยินมาก่อนทนิยะกล่าวว่าพ่อดาว่าบทเพลงของคนแล่นเรือชาววัชีคงจะกระทบใจเจ้าบ้างเป็นแน่จึงได้ให้ติมพรผุผ่านเจ้าไปเพราะเจ้า จะได้มีโอกาสใช้ความชิดแต่คนชิดน้อยหรือชิดมากจะเป็นคนฉลาดตามเนื้อเพลงเก่าแห่งคาววัดชีซึ่งพ่อเชื่อว่าเจ้าคงได้ยินมาแล้วนั้นถ้าเจ้านับถือพระพุทธศาสนาและเข้าใจในหลักคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วจะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ยากเลยเพราะทางพระพุทธศาสนาสอนหลักวิชาวิพัฒวะทะคือการกลางจาแนก ตามเหตุผลที่เป็นจริงการคิดมากอาจเป็นการโง่เขลายิ่งก่อการคิดน้อยก็ได้ถ้าการคิดนั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อนําตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์แต่กลับเพิ่มความทุกข์หรือความกลุ่มใจให้มากยิ่งขึ้นการคิดน้อยถ้าเป็นไปเพราะไร้ปัญญาพิจารณาเหตุผลไม่สา ม, มารถช่วยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ก็เท่ากับเป็นการมองข้ามคติสอนใจ หรือประโยชน์อันประเสริฐไปเสียจึงอาจเป็นการโง่ก็ได้ฉะนั้นเจ้าจงทราบเถิดว่าความคิดน้อยหรือมากนั้นไม่เป็นประมาณถ้าคิดหาประโยชน์ช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ร้อนได้ทําให้เกิดปัญญาอ่านสิ่งทั้งหลายออกได้ก็เป็นความฉลาดได้ด้วยกันแต่พ่อจะไม่อธิบายถึงข้ออื่นซึ่งพ่อเคยได้ฟังมาแล้วอีกจะปล่อยให้เจ้าเองเป็นผู้ใช้ปัญญาขบคิดไว้สอนตนเองต่อไป ก่อนหน้าออกเดินทางไปจากกรงุงไผ่าลีธนิยะได้พาสุรเสนะไปลาศิหเสนาบดีและไปนมัสการพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งตั้งสำนักอยู่ในอารามต่างๆรายรอบกรงุงไผ่าลีเพื่อสนทนาปราศัยไต่ถามถึงความเป็นไปในการบำเพ็ญสมณธรรมและสั่งสอนประชาชนทนิยะได้รับทราบด้วยความยินดีว่าชาววัชชี ทั้งในและนอกกรุงพิษาลีซึ่งเป็นผู้มีพื้นแห่งจิตใจสูงอยู่แล้วด้วยมีขนบ ป, ประเพณีและคุณธรรมประจำแคว้นอันรักษาไว้ดีสืบมาแต่บุรณการเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งสอนให้คนรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลไม่งมงายทั้งสอนให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขก็สนใจประพฤติปฏิบัติตามจนอันกล่าวด้ว่าในขณะนั้นทั่วแคว้นวัดชี โบกสะบัดไปด้วยธงชัยแห่งธรรมเสนาหรือกองทัพธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นกองทัพที่โปรยปลายแต่ความสงบสุขและยังจิตใจของประชาชนให้อบอุ่นมีหวังในชีวิตไม่เกียดคร้านท้อแท้หรือยอมปล่อยให้ความกัดกรุ้มมาคอบงามอยู่อย่างไม่มีทางแก้ไขทนิยะแจ้งข่าวแย่พิษุสงเหล่านั้นว่าตนจะออกเดินทาง ไปเมืองสาวัตถีหากพระผู้เป็นเจ้ารูปใดประสงค์จะเดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ยินดีอารัธนาให้ร่วมทางไปด้วยตนขอปวารณาที่จะถวายความสะดวกในเรื่องอาหารบิณฑบาตจนกว่าจะบรรลุถึงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบข่าวนี้ภิกษุรูปที่ประสงค์จะเดินทางอยู่แล้วก็เตรียมตัวไปสมทบกบหมูลเกวียน ซึ่งกำหนดจะเคลื่อนออกไปในสองวันข้างหน้ากล่าวทางหมู่เกวียนของทนิยะชาวขับเกวียนทั้งหลายก็เตรียมตรวจล้อตรวจเพลาและตระเตรียมทัพสัมภาระเพื่อจะเดินทางผ่านเนื้อที่อันมีความแข็งเป็นโขดหินสลับกับพื้นดินธรรมดามากกว่าที่แล้วการเตรียมสินค้าใหม่ของคว้นวัชี ขึ้นบรรทุกเวียนได้กระทำกันเสร็จก่อนหน้าวันเดินทางแต่สินค้าเครื่องหอมและผ้าอันบรนทุกมาแต่แคว้นกาสีก็ยังคงมีอยู่มิใช่น้อยเพราะได้เตรียมไว้เพื่อขายอีกสามแห่งใหญ่ๆคือเมืองสาเกตสาวัตถีและอโยธยา